ธรรมบทแปลเรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสนะภาคที่8เรื่องที่245พระาศาสดาเมื่อประทับอยู่นพระเวรุวันทรงปรารพอุคคเสนะตรัพระธรรมเทศานานี้ว่ามุนจะปุเรมุนจะปัจชะโต มัชเชมุนจะพระวัสสะปารคูสำพัฏะวิมุตตมานะโสนะบุนะชาติชรังอุเปหิสิแปลว่าท่านจงเปลืองอะไรในก่อนเสียจงเปลืองอะไรข้างหลังเสียจงเปลืองอะไรในท่ามกลางเสียจึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบ มีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงความเกิดและความแก่อีกเป็นต้นได้ยินว่าทุกรอบปีหรือทุกหกเดือนพวกนักฟ้อนประมาณห้าร้อยจะไปยังกรุงราชจุรืแสดงมหรศศพถวายพระราชาทอดพระเนตรตลอดเจ็ดวันได้เงินและทองเป็นอันมาก ระหว่างแสดงมีการให้รางวัลไม่หยุดมหาชนได้ใช้เตียงซ้อนเตียงคือแหกันมาชมมหหรสพบในตอนนั้นลูกสาวนักกายกรรมคนหนึ่งขึ้นไปยังราวไม้ไผ่หกเมนบนราวไม้ไผ่เดินรำร้องในอากาศตรงปลายไม้ไผ่นั้นสมัยนั้นบุตรเศรษฐี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 และยืนยันอย่างนั้นนั่นแหละตอนอุคาเสนะได้นางนักฟ้อนสมประสงค์ลำแบบนั้นพิดาของเขาอ้อนวอนหลายครั้งเมื่อไม่สามารถให้เขายินยอมได้จึงเชิญสหายเของนักกยกรรมมาให้ซับปผ่านกหาปณะนะทรงไปด้วยคำว่า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 มาดาบิดาบอกความนั้นให้บุตรรู้อุคาเสนาจึงพูดว่าฉันจะติดตามพวกนักกายกรรมคณะนั้นไปไม่สนใจคำร้องของของมาดาบิดาเดินทางไปหาคณะนักแสดงเหล่านั้นหัวหน้านักแสดงก็ยกลูกสาวให้เขาแล้วเที่ยวแสดงศิลปะไปตามขามนิคมและราชธานี โดยมีอุคาเสนะไปด้วยฝ่ายนางนั้นอาศัยการอยู่ร่วมกันกับบุตรเศรษฐีนั้นในเวลาไม่นานก็ได้บุตรคนหนึ่งเมื่อจะกระเซาลูกนางจึงพูดว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไรนั่ น, นี้เป็นต้นทั้งนี้เพราะบุตรเศรษฐีนั้นคนย่ามาให้โค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 ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉันจะหนีไปละนางจึงพูดว่าจะไปหรือมาฉันก็ไม่สนใจนางก็ยังร้องเพลงนั้นต่อไปได้ยินว่านางหยิงในรูปสมบัติของตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จึงไม่เกรงใจบุตรเศรษฐีนั้นแต่อย่างใดบุตรเศรษฐีนั้นคิดว่าทำไมนางจึงถือตัวเช่นนี้อางนี้ทราบว่า เพราะอาศัยศิลปะดังนี้จึงตัดสินใจว่าเอาเถอะเราก็จะเรียนศิลปะดังนี้แล้วก็เข้าไปหาพ่อตาเรียนศิลปะอันเป็นความรู้ของพ่อตานั้นแสดงศิลปะตามข้ามณิคมเป็นต้นเรื่อยไปมาถึงกรุงราชจุฬาโดยลำดับให้โฆษณาว่านับจากนี้เจ็ดวัน บุตรเศรษฐีชื่ออุค้าเสนะจะแสดงศิลปะแก่ชาวเมืองตอนอุค้าเสนะแสดงศิลปะชาวเมืองให้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันเป็นต้นแล้วแห่กันมาชุมนุมกันในวันที่เจ็ดฝ่ายอุค้าเสนะนั้นได้ขึ้นไปสู่ไม้ไผ่สูง60สศอกยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่นั้น วันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุคาเสนะนั้นเข้าไปในขายคือพระยานของพระองค์จึงทรงพิจารณาว่าจะเกิดอะไรขึ้ น, นหนาดังนี้ได้ทรงทราบว่าพรุ่งนี้บุญเศรษฐีจะยืนบนปลายลำไม้ไผ่เพื่อแสดงศิลปะมาหาชนจักชุมนุมกัน เพื่อชมการแสดงเราจะแสดงกราประกอบด้วยบทสี่บทในสมาคมนั้นสร้า์แปดมืนสี่พันจะได้บรรลุธรรมเพราะฝั่งธรรมะนั้นฝ่ายอุกาเสนะก็จะตั้งอยู่ในพระอารหัตในวันรุ่งขึ้นพระองค์ทรงกำหนดเวลาแล้วมีพิกสุสงแวดล้อมเสด็จเข้าไปบินดาตยังกรุงราชุกรึ ก่อนที่พระาศาสดาจะเสด็จเข้าไปภายในพระนครนั้นแหลอุคเสเนนะได้ให้สัญญาณด้วยนิ้วมือแกมหาชนเพื่อให้ส่งเสียงโห่ร้องยืนบนปลายไม้ไผ่ตีลังกาพลิกเจ็ดรอบในอากาศแล้วยืนบนปลายไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งตอนอุคัสเนนะแสดงศิลปะแกพระมหามโมคคลานะ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 ก็เมื่อพระาศาสดาเสด็จเข้ามาอย่างพระนคกรผู้ชมไม่ดูเราดูแต่พระาศาสดาเท่านั้นการแสดงศิลปะของเราไม่มีประโยชน์เสียแล้วพระาศาสดาทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสเรียกพระมหามโมกขละนะมาแล้วรัำสั่งว่าโมกลลนะเธอจงไปบอกบุตรเศรษฐีให้แสดงศิลปะเถิดพระเถระ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 พระศาสดามีประสงค์จะดูศิละปะของเราดังนี้แล้วยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่แล้วกล่าวคาถานี้ว่าเชิญเถิดท่านโมคคลานะผู้มีปัญญามากมีฤทธิ์มากเชิญท่านดูกระผมจะทำความยินดีแก่ผู้ชมจะทำมหาชนให้ร่าเริงครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วอุค่าเสนะ ออ ก, กระโดดจากปลายไม้ไผ่ดีตัวในอากาศตีลังกาสิบสี่ครั้งในอากาศแล้วกลับลงยืนอยู่บนปลายไม้ไผ่ตามเดิมลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าอุคเสนะธรรมดาบัณฑิตควรละความอาลายัยรักใคร่ในกันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคต และปัจจุบันแล้วเปลืองตนให้พ้นจากทุกข์มีการเกิดเป็นต้นดังนี้แล้วตรัพระคถานี้ว่ามุนจะบุเรมุนจะปัจชโตมัชเชมุนจะพระวัสสะปารคูสัพพัทธะวิมุตตะมานะโสนะปุนะชาติฉลังอุเปหิสิแปล ว, ว่า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 หมายความว่าจงปล่อยอาไลคือความยินดีความหมกมุ่นความปรารถนาความรุ่นคิดความยึดถือการลูปคลำความอยากในกันทั้งหลายที่เป็นอดีตเสียก็ว่าปุฉโตแปลว่าอนาคตหมายความว่าจงปล่อยความอาไลเป็นต้นในกันทั้งหลายที่เป็นอนาคตเสีย คำว่ามัดเชแปล ว, ว่าปัจจุบันหมายความว่าจงเรื่องอะไรเหล่านั้นในขันทั้งหลายแม้ที่เป็นปัจจุบันเสียคำว่าภาวสะสระรคูแปล ว, ว่าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งพบหมายความว่าเมื่อปฏิบัติได้อย่างนั้นจะเป็นผู้ถึงฝั่งคือไปแล้วสู่ฝั่งแห่งพบทั้งสามได้ ด้วยอำนาจการกำหนรู้การละการเจริญและการทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งมีใจพ้นแล้วในสังคตรธรรมทั้งปวงมีขันธ์ธาตุอรยตนะเป็นต้นอยู่ไม่ต้องเข้าถึงการเกิดการแกร่และการตายอีกต่อไปในการจบเทศนาศาต์ทั้ง 84,000 ได้ตรัสรู้ธรรมมาแล้ว ตอนอุกาสสีณนะทูลขอบรระชาอุปสมบทฝ่ายบุญเศรษฐีก็นะ่ะยืนอยู่บนปลายราวไม้ไผ่บรรลุพระรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาจึงลงจากราวไม้ไผ่มาเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมด้วยเบญจางกรประดิ์ทูลขอบรระชากับพระศาสดาลำ ด, ดับนั้น พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตต์เบื้องขวาออกไปแล้วตรัสกับเขาว่าเธอจงเป็นภิกษุกมาเถิดท่านใดนั้นอุคัสเนนะนั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขาร8ปดระหนึ่งพระเถระตั้งห0สิบพรรษาต่อมาพวกภิกษกุถามท่านว่าคุณอุคเสเนนะเมื่อลงจากปลายราวไม้ไผ่ สูงตั้งหกบไม่กลัวบ้างรึอเมื่อพระอุคขาเสนะตอบว่าผมไม่กลัวเลยภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวทูลกับพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอุคขาเสนะพูดว่าไม่กลัวเธอพูดไม่จริงเธออวดคุณวิเศษพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้มีสังโยชนอันตัดได้แล้ว เช่นกับอุคาเสนะผู้บุตรของเราหากลัวหาพรั่นปรึง่งไม่ดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคถาในปรามวักว่าผู้ใดแลแตัสสังโยน์ทั้งปวงได้ไม่สะดุ้งเราเรียกผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องได้ผู้หลุดพ้นแล้วนั้นว่าเป็นปรามดังนี้ในเวลาจบเทสนา คนจำนวนมากได้ตรัสรู้ธรรมรุ่งขึ้นวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอะไรหนอเป็นเหตุให้ภิกษุผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เช่นนี้ต้องสัญจรเร่ร่อนไปกับคณะนักแสดงเพราะลูกสาวนักกายกรรมอะไรเป็นเหตุเกิดแห่งอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์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 ทำไว้เองเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงทรงยกอดีตนิทานมาแล้วตรัสว่าในอดีตการขณะที่เขากำลังสร้างสุพรรณเดียสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัศปะทศพนพวกกุลบุตรชาวเมืองพารณาณสีใช้ย่าน้อยบรรทุกของขบเคี้ยว ของบริโภคเป็นอันมากเดินทางไปสู่เจตยสถานด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะช่วยแรงงานในการก่อสร้า ง, างนังนี้ในระหว่างทางพบพระเทระองค์หนึ่งกำลังเข้าไปบิณฑบาตละแบบนั้นนางกุลธิดาคนหนึ่งเห็นพระเทระจึงพูดกับสามีว่านายพระผู้เป็นเจ้าของเรา เข้ามาเพื่อบินดาบาดอันหนึ่งในยานของเรามีของกบเกี้ยวของบริโภคเปน็นอันมากจงนําบาทของท่านมาเราจะถวายพิชชาท่านสามีจึงได้นําบาทมาเก่าทั้งสองนำของขวนกบเกี้ยวของขวนบริโภคใส่บาทจนเต็มนําบาทไปวางลงในเมือของพระเทเระแล้วทําความปรารถนาร่วมกันว่า ท่านชก้าเราทั้งสองคนพึงมีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นล้นั้นเถิดก็พระเตระรูปนั้นเป็นพระกี่นาศเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเล็งดูก็ทราบว่าความปรารถนาของเขาทั้งสองจะสำเร็จผลจึงยิ้มหญิงนั้นเห็นท่านยิ้มจึงพูดกับสามีว่าไหน พระกุญเจ้าของเราทำอาการยิ้มท่านคงเป็นลูกนักสแสดงฝ่ายสามีของนางตอบว่านางผู้เจริญข้อนั้นคงเป็นอย่างนั้นดังนี้แล้วก็เดินทางต่อไปนี้เป็นบุรพกรรมของเก่าทั้งสองนั้นสามีประยะนั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นจนสิ้นอายุก็ได้ไปเกิดในเทวโลกเกลื่อนจากที่นั้นแล้ว ฝ่ายหญิงนั้นเกิดในเรือนของนักแสดงฝ่ายชายเกิดในเรือนของเศรษฐีพระขุกาเสนานั้นพระตอบแก่ภรรยาว่าคงเป็นอย่างนั้นจึงต้องเร่ร่อนไปกับพวกนักฟ้อนและเพราะเขาถวายบิณฑบาตแก่พระเตระผู้ขี่นาศพจึงบรรลุพระอารหันต์หนังนี้ฝ่ายทิดาของนักแสดงนั้น คิดว่าสามีของเราดำเนินชีวิตแบบใดเราก็จะดำเนินชีวิตแบบนั้ น, นันนี้แล้วจึงออกบวชในสำนักของภิกษุณีได้บรลุพระระหัตแล้วแหละเรื่องบุตรเศรษฐีชื่ออุคเสนะ